แต่เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนตามนั้นแล้วคนก็ยังไม่พ้นทุกข์ที่เกิดมาจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายยังไม่พ้นทุกข์จากการเบียดเบียนของกิเลสอำนาจของศีละธรรมได้สิ้นสุดลงไปเสียก่อนที่จะกำจัดโลภะโทสะโมหะให้สิ้นสุดไปได้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 กำจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงหรือดับทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายให้สิ้นไปนี้ชี้ให้เห็นว่าศาสนากับศีละธรรมนั้นต่างกันอย่างไรพุทธศาสนาไปได้ไกลกว่าศีละธรรมสากลของโลกทั่ ว, วไปอย่างไรเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วเราจะได้สนใจพุทธศาสนาโดยเฉพาะ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 เราทำความเพียรปฏิบัติก็แต่ขั้นที่ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรกันเท่านั้นโดยเฉพาะก็ในขั้นที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนขณะนี้เราไม่รู้ว่าชีวิตหรือสิ่งทั้งปวงที่เรากำลังหลงรักใคร่ยินดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงหลงรักยินดีติดพันยึดถือในสิ่งเหล่านั้น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 กับคำจากัดความดังกล่าวเพื่อดูว่าจะลงรอยกันได้เพียงใดอริยศาสตร์ข้อที่หนึ่งแสดงว่าสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์นี่คือบอกตรงๆว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรนั่นเองสิ่งทั้งปวงเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจแต่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นความทุกข์ จึงได้มีความอยากในสิ่งเหล่านั้นถ้ารู้ว่ามันเป็นความทุกข์ก็ไม่น่าอยากและไม่น่ายึดถือไม่น่าผูกพันตัวเองเข้ากับสิ่งใดแล้วเขาก็คงจะไม่ไปอยากอริยศัสตร์ข้อที่สองแสดงว่าความอยากด้วยอวิชชานั้นเป็นต้นเหตุของความทุกข์คนทั้งหลาย ก็ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจจึงได้พากันอ ย, ยากนั่นอยากนี่ร้อย0ปพันประการเพราะไม่รู้ว่าความอยากด้วยอวิชชานั้นคืออะไรอริยศัสข้อที่สแสดงว่านิโรธหรือนิพพานคือการดับความอยากเสียดายสิ้นเชิงเป็นความไม่มีทุกข์ คนทั้งหลายยิ่งไม่รู้จักกันใหญ่ทั้งที่เป็นสิ่งที่อาจลุถึงได้ในที่ทั่วๆไปคือพบได้ตรงที่ความอยากมันดับลงนั่นเองนี่คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่มีใครปรารถนาที่จะดับความอยากไม่ปรารถนานิพพานเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือนิพพานอริยศัสตร์ข้อที่สที่เรียกว่ามัค อันได้แก่วิธีดับความอยากนั้นๆเสียไม่มีผู้ใดเข้าใจว่าการทำอย่างนี้เป็นการดับความอยากไม่มีใครสนใจเรื่องอริยมรรคอันมีองค์แปดประการซึ่งดับความอยากเสียได้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 อริยาศาสตร์สี่ประการนั้นคือความรู้ที่บอกให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรอย่างครบถ้วนนั่นเองเรื่องความอยากนั้นบอกให้รู้ว่าเมื่อไปเล่นกับมันจึงเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรายังขืนไปเล่นกับความอยากจนเต็มไปด้วยความทุกข์นี่แหละเป็นความง่อเขาที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริง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 ที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือคาถาของพระอัศชิมาพิจารณากันเมื่อพระอัศชิได้มาพบกับพระสารีบุตรก่อนได้บวชพระสารีบุตรได้ถามความถึงใจความของพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไรโดยย่อที่สุดพระอัศชิได้ตอบว่า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 นี้เป็นการชี้ให้รู้ว่าอย่าไปเห็นอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเพราะมีแต่สิ่งที่เกิดจากเหตุและงอกงามต่อไปตามอำนาจของเหตุและจะดับไปเพราะสิ้นเหตุเพราะฉะนั้นปรากฏการทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่เป็นผลผลิตของสิ่งที่เป็นเหตุเป็นความเลื่อนไหลไปไม่มีหยุดเพราะอำนาจของธรรมชาติ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 วัตถุประสงค์แห่งการออกผนวดของพระพุทธเจ้าว่าท่านออกผนวดด้วยความประสงค์อันใดพระพุทธสุภาษิต ท, ที่ตรัสถึงข้อนี้มีอยู่อย่างชัดเจนว่าพระองค์ออกผนวดเพื่อสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลคำกุศลของพระองค์ในที่นี้หมายถึงความฉลาด หมายถึงความรู้ที่ถูกต้องถึงที่สุดโดยเฉพาะก็คือรู้ว่าอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความไม่ทุกข์อะไรเป็นวิธีให้ถึงความไม่ทุกข์เพราะถ้ารู้อย่างถูกต้องสิ้นเชิงจริงๆแล้วก็คือความฉลาดหรือความรู้ที่ถึงที่สุดฉะนั้นความรู้ว่า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 นั้นหมายความว่าสิ่งทั้งปวงมีลักษณะเป็นความทนทุกทรมานอยู่ในตัวของตัวเองมีลักษณะดูแล้วหน้าชางังน่าเบื่อหน่ายหน้าระอาอยู่ในตัวของมันเองทั้งนั้นและที่ว่าเป็นอนัตตานั้นก็คือการบอกให้รู้ว่าบรรดาสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไร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 เว้นจากการทำชั่วหมายถึงการละโมโบโลภลาภด้วยกิเลสไม่ลงทุนด้วยการฝืนศีลธรรมขนบธรรมเนียมต่างๆเพื่อไปทำความชั่วอีกทางหนึ่งนั้นให้ทำแต่ความดีตามที่บันดิตสมมุติกันตกลงว่าเป็นคนดีแต่ทั้งสองข้อนี้ก็เป็นเพียงขั้นศีลธรรมข้อที่สามที่ว่า ทำใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงนั่นแหละเป็นตัวพุทธศาสนาโดยตรงหมายความว่าทําจิตใจให้เป็นอิสระถ้ายังไม่เป็นอิสระจากอํานาจครอบงำของสิ่งทั้งปวงแล้วจะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไปไม่ได้จิตจะเป็นอิสระก็ต้องมาจากความรู้ที่ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุด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 ศาสนาอื่นนิยมกันเพียงให้เว้นจากความชั่วและให้ยึดถือในความดีให้หลงยึดผูกพันในความดีจนถึงยอดของความดีคือพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธศ า, าสนายังไปไกลกว่านั้นมากคือไม่ยอมผูกพันตัวเองกับสิ่งใดเลย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 การที่ผูกพันตัวอยู่ภายใต้ผลของความดียังไม่ใช่การพ้นจากความทุกขโดยสิ้นเชิงเพราะคนชั่วก็จะมีความทุกข์ไปตามประษาคนชั่วคนดีก็จะมีความทุกข์ไปตามประษ า, า, า, าของคนดีถึงเป็นมนุษย์ที่ดีก็มีความทุกข์อย่างมนุษย์ที่ดีจะดีอย่างเทวดาก็มีความทุกขอย่างเทวดาแม้จะเป็นพรมก็มีความทุกอย่างพรม จะไม่มีความทุกข์เลยก็ต่อเมื่อขึ้นไปพน้นสูงเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าความดีกลายเป็นโลกุตระคือโลกของพระอริยเจ้าคือเป็นพระอริยเจ้าเสียเองถ้าขึ้นสูงถึงที่สุดก็เรียกว่าเป็นพระอรหรันทีนี้คำว่าพระพุทธศาสนานั้นแปลว่าอะไร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 ฉะนั้นข้อปฏิบัติต่างๆจึงมีไว้เพื่อให้วิ ช, ชาเกิดท่านทั้งหลายจงปักใจมั่นในทางที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นขอแต่ให้เป็นความรู้ที่ถูกต้องรู้ด้วยความเห็นแจ้งจริงๆอย่ารู้อย่างโลกโลกรู้ครึ่งครึ่ ง, งกลางๆ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 ยังคงมีตันหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่มมากขึ้นทุกทุกวันตามอายุที่เพิ่มขึ้นนี่เพราะไม่รู้จักตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นชีวิตจิตใจที่สวมอยู่กับเราเรายังไม่รู้จักการที่จะไปรู้สิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมันยุ่งยากไปกว่าเป็นไหนไหนเพราะฉะนั้นจงหันมาศึกษา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 ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัตตะสงสารหรือทะเลแห่งความทุกข์เพราะความที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้อเดียวเท่านั้นสรุปความว่าพุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ถูกต้องจริงๆแล้ว ไม่ต้องมีใครมาสอนเราหรือมาแนะนำเราเราก็จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆถูกต้องได้ด้วยตนเองแล้วกิเลสก็จะหมดไปเองเราเป็นอริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาทันทีเราจะปฏิบัติอะไรไม่ผิดขึ้นมาทันทีเราจะรู้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือที่ชอบเรียกกันว่ามรรคผลนิพพานนี้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 ยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหน ไ, หนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเข่าหลงว่ากูรู้จักดีที่พระดือด้อเนรดื้อและเด็กดือ้อไม่มีรือ้อมีสางอย่างหมุนจีเพราะความรู้เรื่องตัวกูมันไม่มี